เทอพอปรมพระวันที่18ตุลาคม2521นี่พิสูจน์การเกิดตายเทศตามที่เขามาถามเรื่องพูดผีพิศาตมีหรือไม่มีแล้วย้อนกลับมาพูดที่มีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกเรายังไม่รู้ไม่เห็นจะเรียกว่างโง่ขนาดไหนเทศพิสูจน์ การพาให้สัตว์เกิดตายของจิตจนรู้แจ้งเห็นจริงเทศอสุภะเรียงโดยลำดับจนถึงที่สุดการเกิดตายเวทนาทั้งสามไม่มีในจิตของพระอระหรันต์ต้นมรรคไม่ได้ความเกิดความตายของสัตว์ในกำเนิดต่างๆ มีสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดาม่หยุดไม่ยัง้งเลื่อยมาจนปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าว่าเชือ่อจพาให้เกิดตายยังมีกาบใดเชื่อก็คือกิเลสรวมลงไปแล้วกับเื่อวิชาที่ฝังใจแท้พูดอย่างนี้ทําปฏิบัติถ้าให้ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้เน้อถึงจะพูดให้ฟังกม็มีใครเชือ่อ เชื่อเขาเชื่อแบบลางๆแต่สำหรับเราเองมีเราเชื่อว่างั้นเลยเชื่อพระพุทธเจ้าร้อยเปอรเซนเรื่องเกิดเรื่องตายเพราะอำนาจของเชื่อคือกิเลสท้าให้เกิดให้ตายมีเชื่อคื อ, คอกิเลสนี้เท่านั้นเชื่อกฎหมายทางวชาเหที่จะทราบมันก็ธรรมะลงไปนี้พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีที่จริง อันนี้เข้ามาพวกะไ mm. เทือกเขามาณสองสองคนผมมีอะที่มาทำอะไรมาสร้างนั่นสร้างนี่ตามหน้าโรงคุบาลศาล พ, พระพระภูเจ้าที่อะไรแบบอเข้ามาหาหนราสงสัยที่ยังผูดผีเจ้าบุตรเทวดทา มันเป็นความจริงไหมท่านอาารในวงปฏิบัติพระท่านปฏิบัติเป็นยังไงเราก็ไม่ไม่พูดว่าเป็นความจริงมันจริงเรายกครอบเกี่ยวเที่ยงขึ้นในขนาดนั้นเป็นผู้เป็นหมอซึ่งเครื่องมือที่สูง เชื้อโรคต่างๆนั้นสามารถพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆได้ว่านั้นโรคชนิดนั้นนั่นคือโรคสนิดนั้นเห็นชัดด้วยกล้องรือเครื่องมือน่ะตาัดนบรรดาหมอทั้งหลายที่เรียนมาในหลักวิชาเดียวกันได้ปฏิบัติต่อเชื้อโรคมาแบบเดียวกันแล้ว จะสงสัยที่ไหนคนอื่นที่เขาไม่เป็นหมอเขามาปฏิเสธว่าเชื่อโรคไม่มีจริงหมายความความปฏิเสธของเขาความไม่เชื่อของเขานนั้นจะลบล้างความจริงคือเชื่อโรคชนิดต่างๆที่มีอยู่และได้พิสูจน์ดูแล้วด้วยเครื่อเขาจะมาลบล้างความจริงนี้ได้ไหม าก็ยอมรับบอกว่าไม่ได้แล้วคนเราทั่วไปเห็นได้ไหมเห็นไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมืงเป็นของละเอียดนรกแต่และชนิดเป็นของละเอียดมากจึงต้องอาศัยเครื่องมึอผู้ที่จะรักษาโรคชนิดต่างๆให้หายได้ต้องเป็นผู้รู้เรื่องของโรคพร้อมทังสูตรยา วิชาแพทย์เป็นอย่างนั้นพื้ิฐานของโลกก็รู้โลกเป็นโลก่างไรก็รู้รักษาด้วยยาขนานใดทันจะหายหมอเขก็ขรู้ถึงจะรักษาโรคให้หายได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้รักษาไม่หายที่ถ้าที่หมอรักษามานี่ ก, ก, ก็แต่โรคโรคแต่ละชนิดนี้นั้นได้ทําการพิสูจน์กันมาอย่าง กระจัดไแล้วว่าได้ผลเป็นที่พอใจและทคแนะนําวิชานั้นๆมารักษาโรคทีนี้พระพุทธเจ้ากับคนทั่วๆไปก็เป็นบุคคลที่แปล ก, กันหนึ่ต่างกันนมากเหมือนกับหมอกับนักประชานนทั่วๆไปซึ่งเขาไม่ไเป็นหมอแตกต่างกันหนึ่มาก ที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกชนิดต่ตางๆซึ่งเป็นความของละเอียดต่อพระพุทธเจ้าความเหมือนกันหากมันมีความรู้ความฉลาดรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาชวะเรื่องของเปรดของผีของเทวบุตรเทวดาแล้วจะนำมาสั่งสอนโลกไม่ได้ แต่เราไม่ได้พูดเนี้ยอย่างนี้เราพูดลงไปถึงเรื่องว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ทรงได้ทําการพิสูจน์จนประจับในประเทศไทยแล้วทุกแี่ทุ่มุไม่ได้มาสั่งสอนโรคอย่างรุ่นเดาเช่นเดียวกับหมอไม่ได้มารักษาโรคแบบรุน่นเดาเป็นหมอตามหลักวิชาแพทย์จริงๆไม่ใช่หมอเถือ่อน ผู้ทีเจ้าก็เป็นผู้ที่เจ้ากินไม่ใช่พวกที่เจ้าเถื่อนทรงแย่งเห็ิทุกแหนทุกมุมทั้งภายในภายนอกทั้งส่วนใหญ่ส่วนละเอียดกิเลสปัญหาอาสวะก่อสาร้างจากทุกส่วนของกิเลสทุกประเภทของกิเลสเรื่องผีเรื่งเทบุตเทวดาก็มีในตำรักตำราซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วทุกแหนีุกหนึ่ง เพราะความประจับประถัยแล้วจึงแสดงออกเมื่อเป็นเช่นนั้นใครจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือมันมีก็ไม่สามารถจะลบล้างสิ่งที่มีนี้ได้ตามที่พระเจ้าทรงตรั ส, สไว้แล้ว น, นลังรอพูดจานนั้อธิบายก็พอแต่นี่มาอุ่นพูด้มื่นกี่อย่างหรอกใ น, นนะขณะที่ตอบรับกันเวลาก็ถามนั่นมันไม่เป็นอย่างนี้ เขาเินขึ้นทุ้นดั น, น, น, น้อนมันก็ตอบก อ, อย่างปุ๊บปุ๊พราเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องเอาการเอาการทำ ง, งานนี้แล้วไมต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็ย้อนเข้ามาเราอยาพูดถึงเรื่องพุทธิาศาสตร์เทวบุตรเทวดาอินทพึ้งอยู่ภายนอกนอกนั้นเลยแม้จะจริงอยู่ภายในตัวของเราเองภายในใจของเราเองเรายั ง, งไม่สามารถจะรู้ สารโลกทั้งหลายก็อรับความลําบากลําบนก็รับความลําบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีในตัวทําลายตัวเสมอความลักเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดความทุกข์ความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดความทุกข์สิ่งอันนี้เป็นสาเหตุมาจากที่นึ่เป็นต้นอกความโลภความโกรธความหลงเหล่นี้เป็นภัยต่อสารโลก เรายังไม่เห็นว่าเป็นไยัยเรายังไม่เห็นตามรู้ตามพระพุทธเจ้าเรายังคร้อยังหลงตามสิ่งอย่างนี้อยู่ทัราทั้งที่สิ่งหล่านี้มีอยู่ในตัวเราด้วยราษทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกด้วยพระพุทธเจ้าที่ทุกพระองค์ทรงสอนและทรงตําหนิว่าสิ่งอย่นี้เป็นไัยมาตลอดสายจนมาั้งถึงพระพุทเจ้าของเราแม้นานอุตรารข้างหน้า มาสอนพระรูปมา ส, สอนโลกท่านกดจะนำธรรมะแบบเดียวกันนี้มาสอนเพราะสิ่งเดียวนี้มีอยู่แบบเดียวกันหมดแม้เช่นนั้นพวกเราก็ยังไม่ทราบที่ดูรีเราจะว่าที่เสดียโสผู้ฉลาดไดอย่างไงเ้าจะมาเชื่อพระพุทธเจ้ามันจะเกิดประโยชน์อะไรกับความไม่เชื่อนั้น นอกจากจะเป็นการทำลายตัวเองเพราะความไม่เชื่อเท่านั้นเช่นเดียวกับคนไข้หรือประชาชนทั้งหลายที่เขาไม่เชื่อหมอมันจะเกิดเป็นประโยชน์อันไรกับเขายิ่งเป็นคนไข้ไปแล้วพักไม่เชื่อนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำลายตนได้ไม่ให้สนใจกับหมอเขาบิดกับยาแล้วมันตายแน่ๆคนไข้คนนั้นพอไม่เชื่อหมอเช่นนั้นเช่นิด้นั่นมันเกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นภัยต่อตัวเองสิ่งที่ควรเชื่อเขาต้องเชื่อที่เราไม่รู้ อันนี้ก็สิ่งที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้หากเรารู้จริงๆนะเราก็ไม่ควรจะมีความทุกข์ความลำบากลกําบากในเรื่องจิตใจส่วนร่างกายนั้นนั่นก็เป็นอีกแ น, น่พระพุทธเจ้าก็ทรงมีเหมือนกันทุกเวทนาสุ ข, ขเวทนาอุเปเกศท้าเวทนาในส่วนร่างกายก็มี จิตใจนั่นใชเป็นของสำคัญมันเป็นเหมือนกับช่วงเห็นไหมวะมีแต่ขีโรคีโกรธีหลงกลองอยู่นั้นนะช่วงของหัวใจมัหาความมิจฉิตริษมไม่ได้ดยิ่งตามความขีโรคขี่โกรธขี้ย ล, ลอยู่ตลลามันดีไหมล่ะเป็น พระเจ้าทรงรู้ทรงรักได้หมดการพูดในตอนนี้ก็ต้องย้อนไปถึงเรื่องว่าสารโลกที่ท้ายเกิด อ, อยู่ไม่หยุดไมถ่ถอยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัด น, นี้และจะเป็นไปอยู่จนถ้าประมาณไม่น่าทั้งคือเพราะอะไรเป็นสาเหตุการเกิดแต่ละภพละชาติจะไมประสบความทุกข์ความลำบากบ้างไม่มี กิเลสเป็นสิ่งที่ทําแต่โลกให้มีทุกข์อยู่เสมอพันธิงกล่าวว่าดุกขั้งนัตถิอาชาตัดสา่าวทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้ายังมีเกิดอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีแม้จะเกิดในภพภูมิอันละเอียดเพียงไรก็เพราะอํนานาจของกิเลสมีความละเอียดทุกที่แฉมากับกิเลสซึ่งเป็นผล น, นั้นก็ต้องมีอยู่ในภพนั้นๆ นั้นเราจะทราบได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งเหล่า น, นี้ได้ด้วยวิธีใดด้วยวิธีปฏิบัติทรงปฏิบัติอยู่ถึงหกปีพิสูจน์ความจริงทั้งหลายทั้งข้างนอกข้างในจนกระทั่งไดง้เห็นความจริงอย่างประจักพ ร, ระทัยกระท้อนอย่างยิ่งในคืนของวันโดย อ, อัปเป็นซึ่งทรง พระกยาหารมาทั้ง49วันในวันเพลนเดือน6วันช้างนั้นเศรษฐพระกยาหารของนางสุธาดา49ข้อจะใหญ่เล็กขนาดไหนขอเราก็ไม่พอจะสร้างได้แต่เป็นความจริงที่พระองค์ทรงทวยษฐพระกยาหานของนางสุธาราที่เขาไปเช่นส่วนที่ต้นไม้นั้น ต้นไม้ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นแล้วประกอบกับตอนนั้นพระสิริยะทุกส่วนยังเบารู้สึกว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าไม่มีกำลังอันใดที่จะเป็นส่วนที่เหลือ เพื่อเป็นเครื่องตั้งทานปิตตตร่างกายก็เบาหิวไปหมดเราต้องอดปักยอ า, าหารมา ถ, ถึง49วันเพิ่งมา เ, เวสวยอสานช้านั้นร่างกายทุกส่วนต้องเหมาะสมอยู่กับการบำเพ็ญธรรมทั้งหาก็ตรงปฏิบัติหน้าที่ทางปิตตพ ว, วันนานเริ่มแรกทรงพุทธนาคณะ กำนดอนาคตาณสติซึ่งพระองค์ทรงเลึอกด้านเนยคาที่เป็นทรงพยเยาที่พระราชบิดาพาพาทะเลิกนาขวาัญที่ทำในขณะนั้นรู้สึกว่าได้ผนจิตประวัติถึงเรื่องอดีตนั้นจิงย้อนเข้ามาทำเป็นวงปัจจุบันโดยกำหนดอ น, นาคตาณสติลมหายใจเข้าออก ปฐมมยามครอบาตากุว่าได้บุ ป, ป่าอะไตามอยากทำท่านกล่าวไว้ว่าในบรรลุอะไรเกี่ยวกับเรื่องอปุเพนิวาสารนิจจะสติญาบุเพนิวาสารนิจญาส่วนบรลุชาถอยหลังหน้าขี่พวกขี่ชา ในปัจฉิมยามมีอะไรทรงปฏิจจ์พิจารณาปฏิจจสมุบาทนี่เราเอาแต่ผลที่สําคัญสาคัญเลยค่อยแล้วกันสรุปลงในปฏจฉิมยามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในสเด็จอาสวัคคย์ยานคือปฐมยามนั้นทรงทราบความที่จิตจะเกิดองคจัตถ์ทั้งหลายที่เรียกว่ากจตุป อาตยานบุพเพนว่าสารวิญามตรงรู้ทรงเห็นในปฐมมัยยานปิตุกปาทยานทรงทราบความเกิดความตายของสัตความสติเกิด ต, ตายของสัตในมัติมยามพอมัฏิมยามเป็นซึ่งเป็นยามสุดท้ายก็ไม่สําเร็จเป็นอาสวะข่ายหรืออาสวะขยะยาน ทรงทาบความขึ้นไปแห่งอาสวัตทัางหลาภายในพระไทยนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ตรมงได้ตัดชาติตัดภกที่จะเป็นแปลนาคตขานาขานาดไหนยืดยาวเพียงไรก็มาตัดในวงปัจจุบันเชื่ออวิชชาพทรงพิจารณาปัจจัยาการอาวิชชาปฏิญาสั้งข่าราสั้งข่าราปฏิญาวิญญาหนังจนกรทั่งถึงสมุทโยโหติ เมื่อเมื่อวิช า, ม, ชามีก็ทั้งขารก็มีเรื่อยๆแล้ววิชาเป็นปันใจจัยให้เกิดทังขารทังขารเป็นปันใจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดเป็นปัย ใ, ให้เกิดนามลูปให้เป็นพัสสะให้เป็นเมตนาให้เป็นสัณหาให้เป็นอุ ป, ปาทานเรื่อยๆถึงสมุทัโยโยโหติเหล่านี้ทั้งหมดเจียวเมตาเมตาเจวารตา เกวาะตะน่ก็คือหมายว่ า, าทั้งหมดทั้งปวงเป็นสมุทายทั้งสิ้นอนโรมปฏิโรพิจนาย้อนกลับถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจกลายเป็นอวิชานตเวเว่าเชยจุเารานิรุชาสั้งค่าราณิรุทบเมวิชาดับสังขารดับสังขารดับบิน ญ, ญาณดับเลื่อยไปจะมาสร้างถึงเอเวสักษาเกวระตะ กขกั้นะิโรโทรโฮติเหล่านี้เป็นนิโรธคือความดับทุกอย่างทัานนี่พระองค์ดับพบดับชาติดับที่อวิชชาดับทรงทำลายอาวิชชาภายในพระไทยดับโดยทิ่เธอจากนั้นก็ทรงทราบได้ชัดเจนแล้วว่านัตถีดานินบุณโภ บัดนี้ความเกิดอีกเป็นอีกเป็นลูกเป็นหลักในพบน้อยพบใหญ่ของเราเป็นอันว่าสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นแล้วทรงทราบเพราะวิชาเป็นซึ่งเป็นตัวการพาให้สับสนหลาสไเกิดในพบน้อยพบใหญ่นี้ได้ถูกทำลายโดยสิ่งถึงแล้วอะไรจะพาให้ไปเกิดพบไหนไหนก็ดีหยุดบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่ควรจะการเกิดในพบใดๆเพราะเป็นมิมุติจิตหยดหยพ้นแล้วจากวงสมมติ คือการเกิดตายในพกไหนก็าตามอยู่ในวงสมมุติเท่านั้น น, นี่ได้ิดไดพ้นแล้วนี่การพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายของผู้ใดก็าตามนอกจากของตนแต่แล้วจะต้องพิสูจน์ต้องมีหลักเจนเป็นที่เข้าใจในตัวเองนด้อยแล้วถึงจะ สามารถทราบเรื่องของัโลกทั่วไปได้มากเป็นลักษณะเดียวกันนี้นัรู้แจ้งที่ตรงนี้แล้วก็รู้แจ้งความจริงซึ่งมีสภาพเสมอกัรเสมอได้ตลอดทั่วถึงอันนี้เขาเรียกว่าโล ก, กวิมีโลกรู้แจ้งโลกโลกท่าแ่งขันมีอภิชา เป็นตัวการก่อให้เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นพบเป็นฉากเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแี่สมรู้แจ้งจริงทุกสิ่ทุกอย่างพร้อมทั้งความปล่อดวางแล้วนยแล้วตามโลกที่เป็นประยุกในเรื่องความเกิด่านนั้นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะอันนี้เองเนี่ทรงทราบมาอนการคิดสูตรเรื่องความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราก็ต้องคิดสูตรทางธาตุปฏิบัติจริงเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเรา แต่เราไม่สามารถจะทราบไม่สามารถจะแก้ไขอถอนถอนหรือทำลายมันได้เราปฏิเสธได้ไหมว่าสิ่งไอนีมีอยู่กับเราดั้นั้นต้องพิสูจนกันทาง ป, ปากปัิดาเราจะเริ่มทราบเรื่องของจิตของกายได้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบเป็นสมาธิคือเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วจิตจะเป็นเอกเทศของตัวเองโดยเฉพาะคือรู้อยู่เป็นจุด เฉพาะเท่านันส่วนบ้าน ก, กายก็เป็นอีกอย่างหนึง่งเป็นส่วนหนึ่งของเขาเมื่อจิตสงบเข้ามา ก, มมากเป็นการสร้างฐ า, าน่งความแน่นหนามั่นคงของใจที่โดยลําดับไปมาจนกระทั่งทราบโดยชัดว่ากายเป็นอันหนึง่งจิตเป็นอันหนึง่งถึงจะยังค้าขาวกันอยู่กับพิเรนต์ปัญหาอัตวะทั้งภายในจิต ก, ก็ต่างแต่ก็พอจะทราบได้ไว่าจิตเป็นหนึง่งกายเป็นห น, นึง่งทั้งๆที่กําลังยึด การนี้ว่าเป็นตนตยึดขันหา น, นี้ว่าเป็นตนก็ตามก็พอทราบได้ว่าเป็นคนน้นสิ่งนย่างเป็นแต่เพียงว่าปัญญาจะไม่สามารถที่จะแยกแยะลึกตั์สิ่งเกี่ยวข้องในอาการทั้งขันี้ให้หมดไปได้เท่านั้นจึงต้องอาศัยปัญญาปัญญาที่จะมาเยกแยะท่านถึงตัณฑ์สอนเจสาโนมานาขาธัานตาไปัยโตนี่เป็นภาคสมถะคือเพื่อให้จิตสงบตัว้ะก่อน แล้วจะคอยรู้เรื่องรู้ราวอะไรไปเมื่อกิจสงบตัวก็จะวัดกิตอิอ่มตัวในขั้นหนึ่งกิจสงบตัวย่อมไม่มุ่นวายยังไม่แส่เ จ, จ้าสายไปไหนสายแส่ไปไหนมีอาหารดื่มคือความสงบเยน็นกใจสบายไม่มีโหยในอารมณ์ทั้งที่มาสัมผัสทั้งที่มันมาสัมผัสทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ยุ่งไปจิจมีความสงบแล้ว อาศัยความสงบที่เรียกว่าจิตมีความอีกตัวพอสมควรนั่นหละนำออกพิจารณาที่จะอาศัยเกีริสาโงมาน์ขาสันตาตะจูเป็นภาคบริกรรมซะก่อนหริอพุทโธธรรมโมสังโคอนาตานะติเปน็นเป็นภาคปฏิบัติเพื่อความสงบซะก่อนให้จิตในจุดใดจุดหนึ่งทำบทใดบทหนึ่งมีสติ เป็นผู้ควบคุมอยู่กับงานที่ตนกำลังบริกรรมภาวนานั้นห น, นแล้วจิต ก, ก็มีความสงบตัวเข้ามาเพราะมีพี่เลี้ยงคือสติหรือมีผู้ควบคุมรักษาคือสติไม่จายแสไปยืดทะเลถลายไปจู่อารมณ์อื่นๆ ต, ต่างๆที่เคยเป็นมาของจิตจิต ก, ก็มีความสงบตัวได้สงบหลายครั้งแล้วเมื่อไปทีนี้เจริญส า, ามานะคะัคขทานตาละจนั้นน่ะ แยกเปน็นนิปัฏฐาคือทางปัญญาถึงต่อไปที่เรียกกำหนดอันเดียวเสี ก, ก่อนพอใจมีความสงบพอใจิตมีความสงบแล้วเมื่อเสียสารลงมาหน้าขาของตาตะโจนนั้นจะเป็นสถานที่ทํา ง, งานเพื่อความกระจายแห่งความรู้ความเข้าใจโดยทางปัญญาแยกแยกออกดูชิ้นนั่นชิ้นนี้ก็จะมาซึมทราบไปตัวสารพรางร่างกายข้างบนข้างล่างมองทะลุบุกโปร่งไป ด้วยปัญญานี่สถานที่นี้หรืออาการทั้งห้าเป็นต้นน่ะเลยกลายเป็นทิพทางเดินของปัจจุบันาที่คลายออกที่เล่าก็ให้รวมตัวซะก่อนเป็นอย่างะตะทูแปลว่าที่รวมตัวหรือแปลว่ามัดเนี่ที่คลายมัดนั้นออกมัดที่ตัวของเราเนี่ยทั้งตัวนี่มัด นัดึงกันอยู่ด้วยเส่นเอ็นต่างๆและมีหนังเป็นเครื่องหุ้มหอ่อทีนี้เมื่อปัญญาพิจารณากระจายแล้วนี่ออกพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องของหนังอ่าทานี้พิจารณาหนังดูข้างในดูกําหนดดูข้างในกําหนดดูข้างนอกดูทั้งข้างบนข้างล่างโดยตลอดถูกถึงจิตใจก็ยิ่งเคย เป็นโทษเห็นใครเห็นความปฏิกุลโสโคกในตัวของตัวที่ว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสวยของงามเวลาพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมันแล้วหาความเสื่อมความงามไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวนะปัญญาลอดแทรกลงไปพิจารณาเข้าไปในเนื้อในเป็นกระดูกก็เหมือนกันพิจารณามาหนังทั้งข้างนอกข้างในทองหนังของมันก็เหมือนกันอีกจิตใจซึมซาบไปเหมือนกระดาษสึกปัญญา ทะลุไปแทกไปแทกไปเข้าใจไปเข้าใจจิตยิ่งมีความเพลินเลยอีกและกำหนดให้เบื่อมันเน่ามันทังทลายสมมติว่าตัวเราตายแล้ววกเนื้อหนังมังสังอะไรนี่ค่อยเน่าค่อยพุค่อยพองขึ้นแล้วแต่าาอาจายลงไปเป็นของประดุขปุนยหญ่ใหญ่หลวงละที ออกจากรวมตัวกันแล้วแต่กระจายกันออกไปยิ่งเป็นของปฏิบูรณที่ประกาศให้โลกเห็นโดยตลอดถวดถึงอันนียู่ภายในมีหนังหุ้มห่อมีจิตวิ ญ, ญญาณเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ยังแสดงความปฏิบูรณ์แหวนเราจริงมักหลวงในตอนนี้ทตนี้พอปัญญาได้อย่างชาเข้าไปในอาการต่างๆ ต, ตามความเป็นจริงของมันแล้วเราจะไปฝืนความฝืนได้ไหรือไม่ หนังก็สักแต่ว่าหนังเท่านั้นถ้าแยกออกเป็นทางประดิษปุณก็ตรงไหนที่เป็นสุภาพคือความงามไม่มีแต่สุภาพคือความไม่สวยไม่งามมีแต่ของปฏิปุณโสโครกเท่านั้นพิจารณาเข้าไปเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเป็นท่อนๆมันน่ารักหน้ายินดีนนดนนหน้าดีหน้าผีไงแล้วพิจารณาเข้าไปในส่วนในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นแต่ความประฏิปุณเต็มไปหมดป่าช้าผีดิบผีแห้ง สร้างอาของจกักต่างๆมากองอยู่ในผุงรวมกันอยู่แ้ก็เป็นกองปฏิกูลเพียงลมผ่านมาผ่านสวารหนักเท่านั้นมันก็จะทนไม่ได้แล้วจะหมูกจะหักเแล้วนั่นมันก็ยิ่งซึ่งไปซึ่งไ ป, งไปสต่นั้นขยายนี่กำหนดมันแตกอาจารย์เรมบ มาตายไปแล้วนี้แสดงตัวเป็นทีก้อนคูปนี่แสดงตัวอย่างเต็นที่เห็นอย่างชัดเจนนั้นก็แห้งกรอบเยมลงไปก็อบเยิมลงไปส่วนน้ำก็จุมภาพลงไปเป็นน้ก็มิเป็นไอขึ้บนอากาศก็มีส่วนลมก็กลายเป็นลมไปตามเดิมส่วนธาตุดินก็กลายเป็นธาตุดินอ้าวกระดูกเหล่านี้เป็นยังไงมันก็เป็นธาตุดินมันก็กลายลงไปเป็นธาตุดินตามเดิมจนเป็นปกติ แล้วตั้งขึ้นมาใหม่จิตนี้เป็นจิตจริงเราตั้งขึ้นมาเอาจิตเข้าไปสวมเข้าไปแล้วตั้งตัวลูปขึ้นมาจิตเป็นตับเป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านใหม่เอากําหนดจิตนี่อย่างไรแนั่นก็เป็นอย่างมันชัดเจนเต็มที่นี่เป็นการพิจารณาแบบนี้ก็พวกเป็นอุบายถอนอุปาทานความยึดมั่นถึงมั่น ว่าสิ่งอันนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาดินเป็นดินอยู่แล้วทั้งเดิมใครจะให้ทำให้ดินนี้เป็นอะไรอีกไม่ได้ถึงจะปรับปุงให้มันเป็นชนิดไหนก็ตามมันก็คือธาตุดินไปเป็นชนิดนั้นๆอยู่นั้นแหละมันไม่เป็นแต่เป็นบุคคลดังที่เราเจ็สรรปั้นย่อนี่คือความจริงลบไม่สูนยแต่เราถ้าเป็นอย่างอื่เป็นปรมาดาถึงจะ ปรากฏขึ้นมาในแขส่วนผสมของธาตุดินน้ําลมไฟประชุมกันนีจิตตร้อยางเข้าไปคลองนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราก็สักแต่ว่า น, นั้นความจริงก็คือดินคือน้ําคือลมคือไฟที่รวมตัวกันอยู่จิตก็คือจิตที่ไปหลงงมงานกับสิ่งอย่านี้ไปยึดบ้านนี้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเลยมีอะไรนมีทางปัญญาเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้วจิตมันมีความชั่มิชั่มนา การพิจรารณ า, าอสุภาอสุพันธ์คล่องแคล่ว แ, แก่กะกำหนดลงไปนี่มันทะลุอุโง่ไปเนาะการแตะการสลายทำลายพรวดอย่างรวดเร็วนึกกาพิจรารณาให้แทงทะลุไ ป, ปหมดล้วนแนตรงจะเปิดกองใี่จำทุกครา้าตา ม, มันก็ไปได้อย่างรวดเร็วอุปทานคำวินมั่นถือมั่นเมื่อพิจรารณารอดในส่วนร่างกายของเรา อย่างเต็มที่เพราะการพิจารณาทั้งๆสาสักหลายขั้งหลายหนจนเป็นที่พอตัวแล้วคำว่าอุปาทานความยึดมั่นในกาศก็ถอนตัวออกมานะเราจะไปถือยังไงเมื่อปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงแล้วเรื่องจากเราพิจารณาเพื่อหาความจริงปัญญาเข้าถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องถอนตัวเข้ามา ไม่ยึดมั่นถึงมั่นนี่เรียองของอุปทานทางกายหมดไปเหลือแต่เวทนาชั้นญางชา้นขันญางเวทนานี้ยแยกได้สองอย่างเวตนาทางกายเวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยมีได้ทั้งทางก า, า, า, ายและใจะเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นสว่วนละเอียดส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของใจแต่เมื่อจิตของเราได้พิจารณา ด้วความละเอียดและออกขนาดนี้แล้วจะมีสุขเวทนาเด่นดวงอ ย, ยู่ภายในจิตในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีความเฉาเข่าหมองบ้างเล็กเล็น้อยน้อยจะทําให้เกิดทุกเวทนาขึ้นมาแฝงอยู่นั่นแหละจิตก็พิจารณาแ ย, แย่มพกเวทนาสุขก็ดีทุ ก, ก็ดีดดเฉยๆก็ดีมันล้วนแล้วทั้งหมดเป็นจิตที่ปรากฏขึ้นตามหลักธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้น ทุกข์ก็ดีทุกข์ก็ดีที่เคยก็ ด, กกดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของหลักมันเป็นส ภ, ภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยอันนี้เรียกว่าอนิจจังทุกของอังอนัตตาสินเนี่ยนี้เป็นั้นิจจัทุกขังอนัตตาไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดสัญญาจำได้หมายรู้จําได้แล้วดับไปจาได้แล้วดับไปหายไป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 ผ่านไปอันนี้ก็ดับไปเพราะรับธาตุเถลี่ยนแยบแยบแล้วก็ดับไปดับไปกรดับไปล้วนเนื้อแต่ของดังทุกข์ของอาาัตตาเราครับสาระสาคัญจากมันได้ที่ไหนถ้าเราถือเหล่านี้ว่าเป็นตนเราก็ต้องเป็นทุกเกิด อ, อยู่วันยังท่าคืนยังรุ่งตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ดับเราก็ต้องดับไปด้วยสิ่ง น, นี้เกิดเราก็ต้องเกิดไปด้วยนี่เมื่อเราไม่ถือสิ่งเหล่านั้นเราเห็นตามด้วยปัญญาของเราแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดจะดับเราก็ไม่เป็นอะไร เวทนาสุขทุกข์เฉยเกิดดับไปก็ก็ทราบว่าเรื่องเขาเกิดเขาหนับทัญญาทั้งฐามี ญ, ญาณแต่ละอย่างอย่างตากดตัวขึ้นมาเกิด ด, ดับหนักเราก็สร้างเขาเกิดดัดบหนักผู้รู้จริงๆไม่หนักนั่นเพรยิ่งกลั่นกรองจิตใจเข้าไปละเอียดละเอละเอีอดจนเป็นที่เข้าใจในอาการทั้งสี่คือเวทนาการเวทนาติต ด, ดูเข้าไปแต่จนเวทนาจิตนี้ยังไม่ได้สึ่งสุดในระยะ น, นี้ เวทนาของการนี่เข้าใจต่อยได้เพราะขันห้าฟังแต่ละขันห้าเวทนาส่วนร่างกานี้จัดเข้าในกองขันห้าเข้าใจต่อยได้สัญญาตั้งขันห้าแน่นต่อยได้ชนเวทนาทางจิตถ้าวิชายังไม่ดับยังยังดับไปไม่ได้จิตละเอียดเท่าไรขเพ่อเอวิชาคือคือลเอียดละเอียดเวทนาก็ต้องมีละเอียด คือสุขอย่างละเอียดทุก็มีอย่างละเอียดแสงกันไปด้วยท่านมีสุขเพิงทราบว่ามีทุกนะจิตใจก็ย้อนเข้าไปพิจารณาเข้าไปเมอพิจารณาอาการทั้งสีน่นี้เข้าใจแล้วท่านก็ปล่อยนี่เราเรียนเรื่องที่ว่าตามดูความจริงให้ทราบว่าเรื่องการสูดการตายเป็นอย่างไรตามดูความจริงที่เป็นสาเหตุให้พากิดาต า, า, ายนั้นเป็นมาจาก มาเป็นมาจากอะไรมีทางภาพปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในระยะเพียงรู้เท่าขันห้านี้ก็ยังทราบทัดแล้วว่าเรื่องพบอย่ากๆอย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วภายในะส่วนละเอียดคืออะไรก็พบที่เป็นนามธรรมาส่วนละเอียดจะพูดถึงว่าความเป็นที่ค์เห็นอย่างพวกกายคิดชมโลกเนี่ย อันนี้ก็ยังเป็นสมมติจนกระทั่งสติปัญญาสามารถแทงทะลุเข้าไปในตัวกิเลสอันแท้จริงซึ่งฝังจมอยู่ภจจายจิตใจให้แตกกระจายออกไปไม่มีเหนือเลยพึ่งที่วัดี่เลยแม้ละเอียดสุดก็จะดับไปแล้วด้วยสติปัญญาที่แหลมคม นั่นที่นี่ทราบได้ชัดว่าจิตนี้ควรแจะความไม่เกิดแล้วตั้งแต่ปัจบันนี้ต่อไปเป็นอัน่ายุติเรื่องการเที่ยวจับจองป่าช้าในพบต่างๆพบน้อยพบใหญ่ทั้งหลายเป็นอน่ายุติกันแล้วถึงหมดเลิกกันปู่นยังไงเลิกการเที่ยวจับรองป่าชา้าเลิกความเป็นเจ้าของป่าช้าคือการเกิดตาย เลิกการท่องเที่ยวหาจับจองที่เกิดที่ตายติดต่อไปเป็นความผจญภายในจิตไม่มีจิตใดเหลืออยู่เลยขึ้นคือว่าสิ่งที่จะพาให้ตกอบกรรเนีน่เกิดที่นั่นที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าจิต บ, บริสุทธิ์นี่รู้ได้ชัดถี่เกิดตายหรือไม่เกิดตายรู้รู้อยู่กับจิตพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนะั้น จึงนำมาทำเหล่านั้นมาสอนโลกทั้งอุบายวิธีแก้ไขาดัดแปลงหรือถอนกิเลสประเภทต่างๆด้วยปฏิจิาตรงแสดงทั้งผลเป็นลำดับลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดได้เกิประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายถึงสุขหลักธรรมในตัธรรมิไม่ใช่นิพพานังนประมังสุขขังนั้นเป็นสุขเวทนา สุขเวทนานี้จะมีอยู่แค่ขั้นสมมุติสมมุติยังมีอยู่ภายในจิตคืออวิชชามันจะละเอียดแหลมคมขนาดไหนอวิชช า, านั้นเรื่องเวทนาก็มีความละเอียดแหลมคมเช่นเดียวกันแฝงกันอยู่เช่นเดียวกับตัวและเงาซึ่งมีอยู่ด้วยกันสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันเป็นส่วนละเอียดจันทร์ยังมีอยู่ภายในจิตเทราะอวิชช า, าซึ่งเป็นตัวของอตัวการ ของเงาทั้งสองยังมีอยู่ภายในจิตเพราะวิชาสิ้นลงไปแล้วทุกคเวทเยทนาทั้งปวงก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วจึงหาทุกขเวทนาาเวทนาทั้งสามนั้นไม่ได้ภายในจิตของท่านตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วเวทนาทั้งสามจะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตไม่ได้เลยไม่มี เพาจิตนั้นเป็นจิตตรีมูทเวทนานี่เป็นสมมูลเข้ากันได้อย่างไรเนี่ยจิตอันนี้เป็นจิตที่ประจักษ์ละ้งหมดเรื่องการเกิดตายเพราะอวิชชาเป็นต้นเหตุเนี่ยทันเดียวอวิชชาแล้วก็เวทเสพสุริยาานิโรธาสร้างข้ารานิรรธถูกสร้างข้ารานิโรธ า, า, ร า, ธาวิญญาณานิโรธถูกวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรธถูนามรูปานิโรธาสาราจานิโรธถูสาราจานิโรธา พัดสนยโลถูกพัดสายรทาเวน่าเวนไนโลถูกเวนนธาตันห้ายโลถูตันหายโลธาปาานนี้โถูกวานาน้โธาทวะนีูเพราะไอโลธาชาตินโูชาตินี้โลธาโกลกเรยุกโกรนาสุปายานิรุดขันไป เมื่อวิชาดับสังคาดับสังขารดับสังขารดับสังขารดับิญญาณดับบิญญาณเรื่อยไปจุมาทั้งถึงนิโรโทโฮตดิดับแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่นี่หลักของธรรมสิ่งเหล่านี้ท่านเขียนไว้จารึกไว้ในคำภีนั่นมีแต่ชื่อนะท่านทั้งหลายเข้าใจชื่อของกิเลสชื่อของวิชาวิธต บอกเรื่องราวของอภิชาเกิดมันเป็นปัจจัยให้เกิดสั้งคขารให้เกิดยิดง่งยังคือบอกเรื่องราวของกิเลสตัณหาที่มันเกิดต่อเนื่องกันไปและบอกเรื่องหลักเล่าเรื่องราวของอวิธีการดับกิเลสตัณหาดับวิชาซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายเลื่อยแต่จังจะถึงดับโ ด, ดส th é, th é, ยสิ่นเกิดตัวอภิชาแท้ๆอิชาปัจญาสั้งขาราตแท้คือใจอยู่ที่ใจใ น, นี้นี่ ท่านสอนชี้เข้ามาตรงนี้ดูที่ตรงนี้ให้เป็นที่เข้าใจมีการพิสูจเรื่องพบเรื่องชาติการเชื่อเรื่องพบเรื่องชาติเชื่อที่จิตว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวดังท่านอาจารย์มันท่านพูดและเคยเขียนไว้แล้วในได้เขียนไว้แล้วใน่ระวัติของท่านจิตนี้คือ น, นักท่องเที่ยวทั้งน้นเรายอมกราบซะหนึ่งเพราะตัก กรมกรรมของนักท่องเที่ยวคือวิชานั้นออกได้แล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นวิวัตรจักสี้นหมุนกะัหรือเป็นธรรมจักก็ได้สิ้นสุดมีการประพฤิปฏิบัติธรรมผลแห่งการปฏิบัติธรรมของผู้เอาจรเอาใจจะต้องไม่รับอย่าง ตัดสินขาดจากวัตถุวิญของตนภายในจิตใจได้อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแน่พระพุทธเจ้าจะาปริพาณนา น, านแสนนานไปนไหนก็ตามทำเป็นทำคงเส้นคงวต่อความเหมาะสมในการแก้ทีเด็ดทุกประเภทสิงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กี่เด็ทุกประเภทพระพุทธเจ้าจะทรงประชนอยู่หรือป ร, ริพภาณไปแล้วไม่สําคัญสาคัญที่ พรอวัตที่สอนไม้แล้วนี้เป็นพระวาตเพื่อแก้ที่เล็ทุกประเภทให้ขาดกระนออกจากใจสำหรับผู้ปฏิบัติตามนั้นโดยถ่ายเาเท่านั้นถ้าเราไม่สนใจปฏิบัติแม้จะเกาะชาจิวังพระพุทธเจ้าอยู่มันก็แบกบที่เล็ตัณหาเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้พากันเข้าใจการปฏิบัติ มีความพอใจบึกบึนก็การนำไปปฏิบัติของตนเราทุกยอมรับเอเราทุกมาในภพในชาติน้อยชาใจอะไรโดยท่านคนนี้ทําไมจึงทนได้ถึงมาจนถึงตอนนี้เหตุใดเวลาประกอบความเปลี่ยนมีทุกเกิดทุกบ้างแต่ผลไม่ได้ล่ะเราต้องมาเทียบเคียงเพื่อหาทางแบบว่าไปได้เราอย่าท้องถอยเราจะเอาพิ เ, เข้ามากล่องหัวใจเดี๋ยวนี้เราจะหมายเราจะเอาธรรมมากล่องใจสำหรับ เราเชื่อทำเราไมาเชื่อพิเล็ดเราจะเอาแต่งแต่ทำมากล่องก็เอาแต่กิเด็ดมากล่องเราเราก็เป็นเรื่องของกิเด็ดทั้งหมดมันกล่องให้หลับสนิทนึง <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก่อนอาจารย์ยาธิบายเพื่อนเขา